ของที่อยู่ที่นี่เป็นส่วนรวมทั้งหมดหรือว่าเป็นของสงฆ์แล้วเราก็มีธรรมมีวินยัยอยู่ร่วมกันด้วยสามาธิธรรมสัมัญลักษณะเสมอกันมีศีลเสมอกันทุกิวิธีมาที่นี่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมสแสวงหาสิ่งประเสริฐเรียว่าอริยะ ปริเทศนาแสวงหาสิ่งกระเสดคือมรรคผลนิพานการที่เราแสวงหาวิธีที่เราศึกษาก็มีแบบมีแผนมีพระศาสดามีพระพุทธเจ้ามีพณะกรรมการยิ่งใหญ่คือพระสาวกพูดรูตามพระพุทธเจ้าเป็นหลักฐาน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 มันเป็นดวงตาภายในมันเห็นทั้งวัตถุมันเห็นทั้งนา ม, มาธรรมวัตถุก็คือรูปท MM. ั้งหลายทั้งหลายเสียงทั้งหลายก็เป็นวัตถุกลิ่นทั้งหลายก็เป็นวัตถุรสทั้งหลายก็เป็นวัตถุอารมณ์ที่เป็นนามธรรมันก็เป็นวัตถุเป็นทัน้งวัตถุเป็นทั้งนามเก็บปวดอนกันอารมณ์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 ศึกออกไปจนเรียกว่าทิศหรือบัณฑิตผู้รู้บัณฑิตแปล ว, ว่าผู้รู้แล้วผลจากความหลงไปแล้วผลจากความโกรธไปแล้วผลจากความทุกข์ไปแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นมาแล้วผนมาแล้วโดยพอผ่าปฏิบัติสมบูรณ์แบบในการบวชพำให้เป็นนักบวชได้การเจริญสติเนี่ย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 ขึ่นตอระรัตนาตยเราจึงปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางการเจริญสติเป็นการเดินก้าวไปหาพัตนาใจให้ถึงพรระัตนาใจจนเกิดพระัตนาใจในชีวิตเราพระพุทธพระธรมพระสงฆ์การเจริญสติเนี่ยวมรู้สึกตัวนเป็นหน่อโพธิเป็นหนอ่นหนอพุทธะ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 เกี่ยวข้องกับสิ่งไหนก็ถูกเท่าไม่เข้มแข็งอย่างเราสวดตังค์ใกาประ จ, จเิกการเกี่ยวข้องกับจีวร น, นุ่งห่มเพื่อบังบัดความหนาวเพื่อบังบัดความร้อนเพื่อป้องกันเหลือบจงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเพื่อปิดเอา ว, ว, วอิญญาณให้เกิดความละอายเท่านี้ไม่ใช่หรูหราโก้สวยงามเพื่ออวดเพื่ออ่างใคร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 ดินฝ่าอากาศฝนตกแดดตกเพื่อบาเพ็ญภาวนาหลบปลีนี้หาหมุมสงบให้กับตัวเองไม่ใช่เพื่ออยู่ผู้คงสะดวกมีน้ำมีไฟมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องอานวยความสะดวกไม่ใช่เพื่อบาเพ็ญภาวนาอยู่ที่ไหนเพื่องานนี้เพื่อภาวนาแอ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 ที่สร้างวัดสร้างว่าญาติโยมให้ความบูรพธรรมเพื่อให้พวกเราได้อยู่โดยชอบไม่ต้องไปทาอาชีพจินเดอไม่ต้องไปค้าไปขายที่ไหนไม่ต้องค้นขวยเรื่องอื่นทําไม่ได้ผิดวิ่ไหนไปค้าไปขายไปค้นขวยหาลาบสักลาไม่ได้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 สาธยายทำรรให้ตัวเองผลร้อมก่อนสวดสิ่งที่เราสวดเป็นการเป็นธรรมที่ทำให้เกิดเป็นพระลหันนะเราสวดธรรมะทำให้เกิดเป็นพระลหันได้อา น, นาตตะละคณะสูตรวางบทต่างๆที่เรามาสวดลําดับมาแล้วก็แปล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 มันทำให้มีชีวิตชีวาเมื่อเราลู่สึกตัวให้มันหนําใจกับความลงไปลู่สึกตัวลู่สึกตัวต่อไปไม่มีโอกาสเหี่ยวแห้งนะเหมือนกันนะความลงนะเหี่ยวแห้งหมดเชื่อไปเลยความลงที่เกิดจากความคิดความคิดที่เกิดจากความลงไม่ได้ใช่เลยในแต่ความรู้ที่ไปอยู่กับกิจ